การฟังที่ครูครัเราก็ได้เวลาที่จะมาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งใน ร, รายการสัมมนาสนท น, นานะคะนั่นคือพระอาจารย์ไตรบุญอภิปุโนซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่ท่านแนะนําเอาพุทธประวัติมาเล่าให้กับพวกเราฟังว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสเล่าประวัติของพระองค์เองเอาไว้อย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากับรายละเอียดของอริยศาศาสัจสี่ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาพบกับท่านแล้วนะคะน้อมสักการกับท่านคะ่ะใช่เชิญพร ก็วันนี้พูดถึงพุทธประวัตินะยังอยู่ในตอนที่ความเป็นพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับลทัทธิคําสอนอื่นๆเราได้พูดถึงคําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งนะครบถ่วนกระบวนควารใช่ไหม <Okay. S 1> ก็มีครั้งหนึ่งท่านพระ อ, อ น, นุนเนี่ยก็เลยมาถามพระพุทธเจ้านะบอกว่าเ อ, อสัศาสนาอื่นนี่เขามีการบัญญัติเรื่องว่าพระ 12, สิบสองพันษะาพระกี่พันษากี่พันสางี้เ <Hello. S 1> ขาจะเรียกเจริญพร เสหายไปค่ะเอออ่งนั้นอาไหายไปเลยค่ะได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะเออนอาจที่ทราฟฟิกช้าค่ะเอ่อตอนนี้เราพูดถึงพุทธประวัตินะยังอยู่ในส่วนของความที่อพ่พระพุทธเจ้านะคำสอนพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับและที่อื่นๆเราได้พูดถึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งครบถ้วนกระบวนความนะแล้วก็ชัดเจนก็มีครั้งหนึ่งนะที่มีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยแหละไปอ่ เข้าไปในอารามของพวกปริพาชกอื่นๆใช่ไหมแล้วในที่นั้นเนี่ยเขามีการรดน้ําแบบบัญญัติว่าแต่งตั้งให้พระองค์นี้เป็นพระ 12, สิพรรษานะมีชื่อที่แบบเลื่อนหรูขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรือว่าพระองค์นี้เป็นพระ6กพรรษาอันนี้24ส่สิสพรรษาทุกๆ12รอบรอบหนึ่งจะนับเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปอะไรลักษณะนี้แล้วเราก็เลยมาถามว่าเอาแล้วของพระพุทามีไหมเนาะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับท่านพระสารีบุตรในประเด็นนี้ นะพูดถึงว่าการบัญญัติในเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ประกอบด้วยทำเจ็ประการต่อไปนีนะ้คือเป็นเรื่องของธรรมะนะในการมีความอย่างเช่นมีศีลนะมีการหลีกเล้นมีการปราบรบความเพียนมีสติมีความเห็นที่ถูกต้องมีการกําจัดซึ่งตัณหาเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่12ปีก็ได้อยู่24ปีก็ได้นะก็เรียกยังไงก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าคําสอนพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่จิต ถ้าจิตเราสูงเราดีเนี่ยคุณจะมีกี่ภาษานี่ไม่สำคัญเลยจิตที่เป็นจิตที่ละเอียดสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นอย่างนี้นะค่ะแล้วทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดถึงคำสอนของพระองค์เพราะว่ามีพราหมณ์องค์หนึ่งเนี่ยเขามามีความเห็นว่าสมาธิขั้นลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยอย่างชานที่สี่เป็นต้นหรือว่าสมาบัติแดเนี่ยเป็นนิพพานของเขา พนะพุทธเจ้าก็ชี้แจงในรายละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปว่ามันยังมีความยึดอยู่ในนั้นนะซึ่งทําให้เห็นว่าโถ้าเราวางเราบางคนเนี่ยนักปฏิบัติบางคนนะคุณโยมตีเขานั่งสมาธิไปเนี่ยแม้ปล่อยวางได้หมดจ้าสว่างจ้าขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าอันนั้น เ, นเป็นนิพพานค่ะนะคือหมายว่านิพพานที่สูงสุดแล้วน ะ, ะไม่ใช่นิพพานของสมาธิธรรมดานะซึ่งพรุทธเจ้าก็จะต้องบอกว่าถ้ามันยังมีความเป็นตัวตนในนั้น น, นนะก็ยังชี้ว่าไม่ใช่ ก็เป็นคนละชั <c oughs> <ๆ>้นกันว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ยังมีการพูดถึงการบําเพา็ญตบะว่าการบําเพา็ญตบะคือความาทำกายให้ลําบากหรือว่าทําความพิยันอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ได้ตําหนิไปเสียทั้งหมดใช่ไหมพ <c oughs> ระพุทธเจ้ายังพูดถึงว่าการบําเพา็ญตบะแบบไหนนะที่ทําไปแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตลําบากแล้วก็ทําให้ต้องไปเกิดในอบายทุกติวิธิบาสนรกพวกเนี้ยเราไม่สนับสนุน <c oughs> นะแต่ว่าถ้าการบําเพ็ญตบะแบบไหนนะที่ทําให้ไปเกิดในสวรรค์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ดีอย่างนี้นะคือบางคนบําเพ็ญตบะแล้วแต่ว่าจิตใจยังชุ่มอยู่ด้วยตัณหาอย่างนี้ก็มีไปทําความเพียรในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยอืมค่ะบำเพ็ญตบะนี่คล้ายๆกับทําส่วนหนึ่งของที<ค><ล>ท่พระพุทธองค์บําเพ็ญทุกข์ลยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อค่างไปอยู่ป่ากินอาหารน้อยๆเป็นต้นอย่างนี้ค่ะลักษณะนั้น อันนี้คือพูดถึงเรื่องพุทธประวัตินนในการเปรียบเทียบคําสอนของพระองค์กับคําสอนของศาสนาอื่นค่ะจะนั่กลับเรียนถามนิดนึงมีแง่หมุมที่ท่านพูดว่านี่พูดถึงนิพพานที่เป็นนิพพานจริงๆเลยนิพพานใหญ่เลยไม่ใช่นิพพานในสมาธิแต่ละขั้นาหาลาย ว, ว่านิพพานในสองรูปแบบนีไ่ไงค ะ, ะถูกต้องอันนี้ท่านพระอนุนคยถามกับพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานเนี่ยว่าสันติติกนิพพานนะคือนิพพานในปัจจุบันที่เป็นขั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้าง รพระเจ้าก็เลยไล่ให้เป็นลําดับอันนี้ก็จะมาสอดคลอนกับเรื่องที่เราจะพูดวันนี้ในส่วนของอามารรคพอดีอริยสัจสในความดับที่เหลือของทุกก็ให้ท่านไปพู ด, ดในตอนนั้นเลยก็ดีนะค ะ, ะก็พูดถึงตอนนี้ไปเลยเพราะว่ า, าพูดถึงความดับเป็นขั้นๆอย่างสมมุติเราบอกว่ า, าฉันนั่งสมาธิเนี่ยไม่คิดอะไรแล้วใจฉันว่างเต็มที่เลยนั่นน่ะคุณเห็นไหมว่าความคิดของคุณดับไปแล้วนั่นก็เรียกว่านิพพาน ดับเพราะนิพานเป็นคํามาตรฐานทั่วไปแปลว่าดับะดับอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถามว่าดับตรงนั้นแล้วเหลืออะไรอีกอถ้ามันยังเหลือความสุขอ่ายันยังไม่ดับจริงยังไม่ดับหมดคช่ไหมยังดับแต่ยังดับที่หยาบๆแต่ละเอียดๆยังเหลืออยู่เอาดับต่อไปอีกนนั้ดับความสุขนะดับอุเบกขาะแต่มันยังเหลือความยึดอยู่นะอย่างเงี้ยก็บางคนก็จะไปติดตรงนั้น ถ้าเป็น ค, คะถ้าอย่างนั้นมันมีคำไหนไหมคะที่หมายถึงนิพพานสุดท้ายเลยอย่างที่พระพุทธองค์เราพบได้นิพพานแล้วก็เป็นพระอารหันตตระสมมาสัมพุทธเจ้ า, านั้นเลยค่ะก็พระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าปรินิพพานปรินิพพานเฉพาะตนตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะใช้คําว่านิพพานธาตุอนุปาทิเสศนิพพานธาตุหรือว่าสัพปะทิเสศนิพพานธาต ที่เราพูดมาแล้วในในตอนแรกๆของรายการค่ะโน้กันก็ได้เหมือนกันทีนี้เป็นเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเราจะใช้คำที่ให้ถูกต้องเนี่ยคือคนที่เห็นความดับตรงนี้เนี่ยนะดีมากๆแล้วไงดีม า, มากๆแล้วถ้าใครสามารถเห็นความดับของจิตเราไปเรื่อยๆเนี่ยดีมากๆแล้วให้ทาต่อไปให้ทาต่อไปนะก็จะพบว่าเอ้เราก็จะไม่ยึดถือแม้ใ น, นิพพานจะไม่ยึดว่านี่นิพพานของเรา จะไม่ยึดว่าอันนี้เรามีนิพพานอยู่ในนั้นอย่างนี้เป็นต้นะนะก็จะค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปให้ละเอียดลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนมากันเถอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไล่ตรงนี้ให้ถูกต้องตามระบบเนี่ยก็พระพุทาจะพูดถึงเรียกว่าอนุบุพภวิหารเก้าอย่างนะคืออนุบุพภวิหารเก้าอย่างก็คือเครื่องอยู่เป็นขั้นๆทั้งหมดเก้าอย่างก็เริ่มตั้งแต่ฌานที่หนะึ่งะสองสามสี่ไปรูปสัญญาสมาบัติไปจนถึง สมาบัติที่ขั้นสูงขึ้นไปสัญญาเวทายตานิโรดนู่นไปเลยค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้คือเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกข์เหมือนกันคือความดับขึ้นไปเป็นขั้นขั้นทีนี้ไอ้ความดับตรงเนี้มันมีรายละเอียดนิดหนึ่งที่จะต่อตรงนี้ก็คือว่าอย่างสมมติคนที่ความคิดมันดับไปแล้วเนี่ยนะนั่งสมาธิ <Okay. S 1> เนี่ยความคิดดับไปละแต่บางทีมันไปคิดอีกใช่ไหมมันไปคิดคือไอ้ความคิดที่โผล่ขึ้นมาเนี่ย จะเป็นตัวกวนเป็นเครื่องกวนเหมือนเราสุขภาพสบายดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยปวดหัวเดี๋ยวป่วยเป็นไข้ให้มันมากวนะ น, นี่คืออาการอาพาธแต่วเราะนั้นทํำยังไงให้เข้าสมาธิลึกลงไปอีกนะไอ้ความคิดนี้จะไม่มากวนเป็นต้นนะ อ, อะคะเขาจะเรียกว่าอาพาธในสมาธิแต่ละขั้นละขั้นซึ่งผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยจะทราบดีรายละเอียดตรงนี้อันนี้คือความดับไม่เหลือของทุก์ไล่ไปเป็นขั้นๆวันนี้ ก็พูดถึงตรงนี้ไปก่อนวันนี้เรื่องของอริยสัตจอ๋อคะ่ะก็มาถึงคําถามแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระใหญ่ะคะ่ะท่านพีบุญคะ่ะพูดเรื่องคนฟังรายการดีกว่าคะ่ะคุณจินนี่นะค ะ, ะแสดงความรู้สึกมาจากการฟังรายการบอกว่าฟังมาสองปีทุกวันฟังรายการเนี้ยนะคะเพือ่อเพื่อ น, อนรอบตัวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวเนี้ยใจเย็นมากไม่วู่วามเหมือนแต่ก่อน แล้วก็ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนไปเลยเล่าให้ฟังแต่เพื่อนบอกว่ายังตื่นก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเพื่อนของคุณจินนี่สงสัยก็ยังไม่ได้ตื่นมาฟังเสทีนะคะแต่ว่าท่านที่เพิ่งหมุนมาฟังเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เคยมู่วามเคยใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ฟังมาก่อนอันนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นได้ว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าธรรมะนี่ต้องอยู่กับวัดนะ หรือว่าธรรมะนี่อยู่กับพระอย่างเดียวหรือธรรมะอยู่กับคนแก่นั้นนี่คุณจินนี่เนี่ยเป็นคนทํางานในออฟฟิศนะเราก็แค่อาศัยตื่นเช้านิดหน่อยฟังรายการทุกวันใช่แล้วก็วววบอกว่านั่งสมาธิได้มากขึ้นด้วยอปีปีหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยเป็นความอัศจรรย์ของคําสอพานพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนทะเลที่ว่ามันจะค่อยลึกลงไปเป็นลําดับลําดับนะแล้วเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอมันศึกไปเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสของเราอะนะะเหมือนกับ เปลียอ น, น, นอะนเออไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็ได้พูดมาเลยว่าการปฏิบัติธรรมที่ได้ฟังการนำของท่านมาร์กในช่วงเช้าประกอบกับฟังธรรมขอท่านไพล์บูลเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท, ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันทํายากใช่ใช่ก็อนุโมทนามาการฟังธรรมเนี่ยจะทําให้เกิดศรัทธาพอศรัทธาแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความเพียรพอมีความเพียรแล้วเนี่ยก็จะทําให้จิตเรามีสติได้พอมีสติแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการสํารุมอินทรีย์ พอสมรุมอินรีย์แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าจะทําให้มีสุจริตสประการคือกายวาจาใจาเป็นสุจริตอันนี้เป็นกรณีที่ศึกษาได้อย่างเต็มที่ว่าอใจเขาก็ไม่ร้อนมากขึ้นใช่ไหมร้อนน้อยลงแล้วก็พูดจาอะไรก็มีความคิดมากขึ้นนี่กายวาจาใจเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นละพอกายวาจาใจบริสุทธิ์มากขึ้นก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ี่บริบูรณ์พอสติปัฏฐาน4ี่เริ่มจเจริญ ม, มากขึ้นก็มีโพชฌงเจตมากขึ้น พ่อชงเจตมากขึ้นพอมีพ่อชงเจตมากขึ้นก็เริ่มเห็นความจริงในชีวิตมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่พุทธชาพูดถึงการฟังธรรมทีนี้จะฟังธรรมได้นะคุณยมติว๋วมันต้องมีเพื่อนดีค่ะต้องมีคนชักชวนมาฟังหรือว่าใช้ธรรมะของพุทธชาวนี่แหละเป็นกระยาณมิตรก็ได้ข น, นาดนี้เนา ะ, ะ อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะค ะ, ะสําหรับวันนี้เป็นวันพระ ที่สิบห้าค่ำถูกไหมคะใช่คนไทยก็เข้าใจเรียกวันพระใหญ่เรียกตามดวงจันทร์แค่าก็เรียกวันพระเล็กแต่จะเลก็กจะใหญ่มีความสําคัญต่างกันไหมคะผู<ส>้าบางคนเนี่ยเขาจะไหว้พระเฉพาะวันพระใหญ่สําหรับสําหรับอาตมานนะทุกวันเป็นวันพระเล ย, ว, ยว่าอก็คือว่าคิดว่าในสมัยก่อนอย่างพระพุทธเจ้าที่กําหนดเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าวันไหนเป็นวันพระนะสมัยก่อนจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาขอ ก็คือเป็นลักษณะว่าให้มีการประชุมมาพบเจอกั น, นให้เป็นการเครื่องเตือนใจว่าเออคุณไปหาพระบ้างนะวันวันหนึ่งนะทุก8ดวันเจวันก็ได้ไปหาพระเพื่อที่จะสอบถามธรรมะใครหนาหน่อยนะก็ไปบ่อยๆก็ได้นะใครที่ฟังรายการทุกวันก็เรียกว่าพบพระทุกวันอยู่แล้วอย่างนั้นก็เจอท่านมาร์กเจอแต่ามาใช่ไหมทางวิทยุก็ถือว่าดีแล้วก็ในวันพระเนี่ย มีโอกาสซึ่งบางทีคนไทยเขาใช้วันวันธรรมะสรวรรค์ใช่ไหมคือวัน<ช>สา ม, มธรรมอ่าธรรมะฟังจริงๆแล้วก็เป็นแค่เครื่องเตือนสติให้เราแบบเข้าใกล้พระสงฆ์บ้างสอบถามธรรมะฟังธร ร, รรมบ้างอย่างเงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนั้นก็จะลืมค่ะค่ะทุกวันทุกวันเหมือนเหมือนกันก็เลยแทนที่จะนึกถึงพระก็เลยทําแต่วันโยมกันทํางานชุลมนะคะก็เขาก็เลยมีกําหนดการพระเจ้าอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าน พระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารขอไปพระเจ้าพิม พ, พิสาราาาซึ่งตอนนั้นเป็นรูปแรกเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่ถวายสร้างวัดให้พระพุทธเจ้านั่นคือวัดเมรุวันเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากใช่แต่นี้อย่างบางคนที่เขาฟังธรรมะไปแล้วอย่างคารวะหลายท่านเนี่ยพอฟังธรรมะไปนะคุณโยมติวมันจะเกิดความที่มีความมั่นใจ และนนในคําสอนของพระชาติมากขึ้นเห็นตัวละมาเองเนี่ยก่อนที่จะมาเพิ่งจะมาบวชเนี่ยพอบวชมาแล้วเนี่ยเราศึกษามากขึ้นเรามีความมั่นใจว่าโอ้คําสอนนี้ถูกต้องคําสอนนี้ใช้งานได้ได้ผลจริงเนอะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคุณสันสนีเองก็เห็นผลมาก่อนเนา ะ, ะว่ามันสามารถใช้ได้ในงานที่เราทำใช่นในชีวิตประจาําวันครอบครัวเราหรืออะไรต่างๆมันมันแอพลายได้หมดใช้งานได้หมดอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคือเห็นผลใน ก่ อ, อนนี้แล้วก็เห็นผลในปัจจุบันใช่ประเด็นประเด็นธรรมะมันคือเป็นอย่างนี้ว่าหลายๆคนจะคิดว่าเออบ้านเมืองเราขาดธรรมะทำไมคดีความในศาลมันมากขึ้นไม่มีความสุขเลยแล้วก็เที่ยวหาธรรมะนะแต่ <c oughs> ว่าไปหาข้างนอกไม่ได้ตัวเองไม่ได้สร้างค่ะ <c oughs> ในเมื่อมันมันมีคนต้องการธรรมะมากแต่ตัวเองคนผลิตเนี่ยมีน้อยมันก็แย่เลยใช่ไหมเรือ่องฟังหลวงพ่อชาพูดหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเนี่ยเจอฝรั่งถามเลย เมืองไทยเนี่เป็นเมืองพุทธทำไมถึงมีขโมยอืนมนะครับท่านก็เลยบอกว่าเอคนเป็นขโมยาศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นขโมยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาธรรมะใช่ไหมไม่ต้องหาที่ไหนหาในใจเร า, าและเราก็สร้างธรรมะขึ้นมาเลยเอาแค่ ง, ง่ายๆอยู่ที่บ้าน่ะจะด่าลูกใช่ไหมออพูดดีๆกับมันก็แล้วกันวะเนี่ยบุญเกิดทันทีธรรมะเกิดทันทีนะัวินาทีนั้นจะด่าผัวใช่ไหมออพูดกับเขาดีๆก็แล้วกันเนาะอย่างเงี้ย มันจะสบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้มันขึ้นกับการที่สติมันว่องไวขึ้นเพราะเราฝึกปฏิบัติด้วยไหมคะใช่ถูกต้องอย่างเรณีของคุณจินนี่ที่สามารถอใจเย็นขึ้นใช่ไหมพู้จามีหลักการมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นก็เพราะตรงนี้แหละฟังไปฟังไปก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนาะค่ะนะก็อันนี้เป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันรู้ได้เฉพาะตนนัดนะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์ แล้วก็ควักให้กันไม่ได้ค่ะนะคะดัง น, นั้นศาสนาพูดเนี่ยคะ่ะพิเศษสุดก็คือต้องให้เราเนี่ยหันกลับมาดูตัวเองแล้วก็พัฒนาที่ตัวของเราเองนี่แหละคือการทวนกระแสไงคุณโยมติวค่ะนะคะวันนี้ได้อะไรเยอะทีเดียวนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระจันทร์เพ บ, บุญอภิปุลโนพระมรัชชาคาวโรแล้วก็ขอบคุณคุณจินมี่ด้วยนะคะที่อุตสาห แสดงปฏิกิริยาตอบกลับจากการฟังมาเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้มาสนทนากับท่านผู้ฟังอีกทางนึงนวัฒ ก, การนะคะท่านอาจารย์คะใช่เฉลยพรค่ท่านผูน้ฟังที่เคารบคะและนั่นก็คือพระพบูลุญอภิปุนโนค่ะท่านอยู่ที่วัดป่าดอนาฮโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งทีเดียวในการที่จะทําให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาทั้งในส่วนของธรรมะที่ เกิดจากการเผยแพร่เกิดจากา ก, จาการให้ท่านได้ฟังแล้วก็จากการที่นําท่านทั้งหลายสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะมีคอร์สกันทุกเดือนเลยที่วัดป่าดอนหายศกนั้นส่วนรายการนี้นะคะสัมมนีสนทนาดิฉัน ส, มสนัมมนาณภูมิดำเนินรายการค่ะก็วันลาประมาณ30นาทีนะคะที่ตั้งใจมากที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่ล้ําค่ามากที่สุดในโลกที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสสอนเอาไว้ค่ะ ติดตามระฟังรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนท่านใดที่ต้องการทบทวนพุทธวจนะก็ส่งมาขอหนังสือค่ะที่022690006นะคะพระอาจารย์คึกฤทโสติโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธ์ก็จะมอบหนังสือพุทธวจนะในเล่มต่างๆให้กับท่านไปนะคะวันละสามท่านวันนี้ลาการไปก่อนนะคะพุทธวสวสดีค่ะ